น, นันจาจะนะเนวสัญญานาสัญญาดะเวทะยิทีนิโรธอาศัยตรงนี้คือคือไม่ไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องมีอะไรเหลือไม่ต้องมีอะไรเหลือพระอนุรุทธะอันนี้ก็จํามานะจํามาพระเจ้าที่ผ่านแล้วตัง้งแต่วันเป็นเดือนหก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 เขาก็เรียกว่าอารมณ์ของความรู้แจ้งไปนั้นไฟฉายฐานแรงน้อยก็เห็นเห็นทางน้อยๆถ้าไปแรงใหญ่ก็เห็นทางใหญ่ๆเกี่ยวกับความแจ้งของเราที่เราจะต้องสร้างขึ้นมาให้ตนเองอถ้าเห็นความหลงอย่นีก็เห็นแจ้งไหมหรือเห็นเครื่อง ก, กลางๆความทุกข์อย่งนี้เห็นแจ้งไหม ทำให้แจ้งในความทุกข์ได้ไหมหรือว่าให้ความทุกข์คลองงำจนมืดให้ความหลงคลองงำจนมืดแต่แจ้งในความหลงแต่แจ้งในความทุกข์ได้ไหมต้องได้มันต้องไดน้นี่คือของที่เราทําได้แต่มันหลงนี่เห็นมันหลงแจ้งแจ้งให้มันหลงชัดเห็นเลยพูดออกมาอืมอะไรอย่างนี้อะไรวิปัสสนา เอาละนะวันนี้ก็พูดสู่กันฟังแล้ววันนี้จะมีามามาาอาจารย์มหาไหลมาเราก็อาจจะมาฉันเพจมาร่วมกันท่านอาจารย์มหาไหลเราจะมาทำวัดหลวงพ่อเป็นธรรมเนียมของศาสนาพุทธของเราท่านก็มาทุกปีโอเราก็มากราบทำวัดท่านเช่นกันช่วยโอกาสแทนที่เราจะไปหาท่าน ีนโน่น <c oughs> น้ำเพรน า, าเชือกแต่เราก็โชยโอกาสที่นี่เลยไปวัดเราเลยมาทำวัดกับท่านตั้งภิกษุสั ม, มนเนินทีอุจจกวาสิกามันเป็นบุญก่อนนอเก้าก้มกราบผู้หลักผู้ใหญ่ มันมีอายุวั น, นสุขภัลละไม่แข็งกระด้าง <c oughs> อาจจะมีการฉันเพลนทำอาหารถวายเพศแเราอาจจะเนี่มนให้ท่านเทศให้พวกเราฟังนะะอันนี้ก็พอกราบพระพร้อมกันะรหังสัมมาสัมพทโธพตวา โอตังภะคะวันตังอะภิวัติวากาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมาริยสัพติปโนภะคะวะโตสร้างจัตังโส้างธัมม